มาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการเสริมสติปัญญาความรู้ความฉลาดให้มีมากขึ้นไปตามลำดับเพื่อที่จะได้นำมามาดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ถาวรต่อไป ธรรมะที่เราจะมาพูดกันวันนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเราเป็นเรื่องที่อยู่กับเราตั้งแต่ตื่นจนหลับธรรมะนี้ก็คือกรรมกรรมที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กรรมเหนิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราจะทำกรรมมันได้ไว้ไม่ว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาป<ม>เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น<ม>ใครคือผู้กระทำและใครเป็นผู้รับผลของกรรมคำที่เราพูดว่าเรานี้ก็หมายถึงใจผู้รู้ผู้คิด<ม>ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆพูดอะไรต่างๆ เมื่อสั่งแล้วได้พูดแล้วได้กระทาแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาผลนี้เราเรียกว่าวิบากวิบากของกรรมผลของกรรมคําว่าวิบากก็คือผลของกรรมคําว่ากรรมก็แปลว่าการกระทำคาว่ากรรมนี้ในหลักของพระพุทธศาสนาแปลว่ากรรม แต่ในภาษาไทยบางครั้งเราก็ใช้แทนคำว่าบาปเช่นแทนที่จะพูดว่าบุญและบาปเราก็พูดว่าบุญกรรมแต่ในที่นี้เราหมายถึงการกระทาซึ่งไม่ได้เป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจ ทางกายก็คือการกระทําอะไรต่างๆด้วยร่างกายทางวาจาก็คือการกระทําด้วยวาจาด้วยคําพูดต่างๆและทางใจก็คือความคิดต่างๆกรรมทั้งสามนี้มีกรรมทางใจคือมโนกรรมนี้เป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้สั่งการก่อนที่จะพูดหรือจะทําอะไรได้ ต้องมีใจเป็นผู้สั่งการก่อนมีความคิดมโนกรรม mm hmm. เช่นวันนี้คิดว่าจะมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาทำบุญ mm hmm. ต้องมีความคิดก่อนเมื่อคิดแล้วก็จะสั่งไปที่วาจาและที่กายทางวาจาก็อาจจะพูดชวน ญ, ญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายให้มาร่วมกันทาบุญ mm hmm. ทำทานกันมาฟังเทศฟังธรรมกันทางกายก็พอได้เวลาอันสมควรที่ก็ออกเดินทางกันมาออกเดินทางเพื่อที่จะได้มานั่งอยู่ที่ที่นี่เพื่อที่จะได้ฟังเทศฟังธรรมก็มีการกระทาทั้งสามส่วนพร้อมกันคือโมโนกรรมคือความคิดทางใจ ใจคิดแล้วก็สั่งไปที่วาจาวจีกรรมแล้วก็สั่งไปที่กายกรรมคือการเคลื่อนไหวทางร่างกายเมื่อทําแล้วก็จะเกิดวิบากขึ้นมาทันทีวิบากก็คือผลของกรรมเกิดที่ไหนก็เกิดกับใจนี่แหละผู้ริเริ่มผู้สั่งการใจเป็นผู้สั่งการ ใจเป็นผู้รับผลจากการสั่งการของตนหลังจากที่มีการกระทำทางกายทางวาจาแล้ว<ม>ผลก็จะเกิดขึ้นที่ใจผลก็คือความสุขหรือความทุกข์ใจหรือความไม่สุขความไม่ทุกข์ใจ ม, มีผลอยู่สามประการเป็นวิบากสามชนิดเพราะว่ามีการกระทำมีกรรมสามชนิด กรรมที่เป็นบุญกรรมที่เป็นบาปและกรรมที่เป็นกลางๆางเป็นกรรมที่ไม่เป็นบุญและไม่เป็นบาป น, นี่คือเรื่องของกรรมเรื่องที่เราทํากันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงที่เวลาที่เราหลับไปแต่เราไม่ค่อยคิดถึงผลกระทบ ของกรรมที่เรากระทากันเพราะเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวคิดว่าโอ้ยต้องรอให้เราตายก่อนแล้วเราถึงจะค่อยไปรับผลของกรรมที่ตามมาความจริงมันแสดงผลอยู่ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่มีการกระทำขึ้นมาเพียงแต่ว่ามันจะมีผลหรือวิบากในรูปแบบไห น, น สุขใจหรือทุกข์ใจหรือไม่สุขไม่ทุกข์ใจกรรมที่ทำให้เกิดความสุขใจเราเรียกว่าบุญกุศลหรื อ, อความดีการกระทำความดีเรามีความหมายแปลความหมายของบุญของความดีว่าอย่างไรคือการกระทำที่ทาให้เกิดประโยชน์สุข แก่ผู้หรือประโยชน์สุขกับตัวเราหรือทั้งผู้และทั้งตัวเราเป็นการกระทำที่ไม่เกิดโทษแก่ผู้เรียวกว่า บ, บุญเช่นเมื่อเช้านี้ญาติโยมใส่บาตรนี้อันนี้ก็เกิดประโยชน์กับผู้คือพระภิกษุที่มารับบิณฑบาต ผู้ให้ก็เกิดความสุขทางใจรับวิบากจากบุญที่ได้ทำไว้ <c oughs> <c oughs> วิบาก ค, คือผลนี้เกิดขึ้นทันทีตั้งแต่ตอนที่ได้ใส่บาทได้ใส่บาทได้ถวายของแล้วใจก็เกิดความสุขใจอิ่มใจและความสุขใจอิ่มใจนี้จะสะสมไปในใจต่อไปจะไม่หายไปจางไป เหมือนความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขที่เกิดจากการทำบุญนี่มันจะสะสมไปเหมือนเอาเงินไปฝากในธนาคารยอดก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ฝากสิบบาทพรุ่งนี้ฝากไปยี่สิบบาททุกครั้งที่เราเอาเงินไปฝากธนาคารเราก็เกิดความสุขใจอิ่มใจแล้วเราก็รู้ว่า เรามีเงินฝากเพิ่มมากขึ้นแล้วต่อไปเวลาที่เราต้องใช้เงินเราก็สามารถไปเบิกเอามาใช้ได้นะความสุขใจที่เกิดจากการทาบุญทำความดีนี้ไม่จางหายไปเหมือนควันไฟไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผธสะพา ความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขที่ไม่ฝังใจมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปไปเที่ยวมาก็เกิดความสุขใจในขณะที่ไปเที่ยวแต่พอหลังจากกลับมาจากการไปเที่ยวความสุขใจที่ได้นั้นก็จะหายไปแล้วก็จะทำให้เกิดความอยากที่จะไปเที่ยวใหม่แทนที่แทนที่จะให้ความอิ่มความพอ กับมาสร้างความหิวความอยากเพิ่มขึ้นอีกไปเที่ยวครั้งนี้แล้วก็อยากจะไปเที่ยวครั้งต่อไปได้อะไรมาแล้วได้ได้ลาบมาแล้วได้เงินทองมาแล้วก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปได้ยศได้ตํแหน่งก็อยากจะได้สูงขึ้นไปอยู่เรื่อยๆได้เท่าไหร่ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอได้สรรเสริญก็อยากจะได้อยู่เรื่อยๆ ไม่อยากให้ใครมาว่ากล่าวตำหนติตีเตียนอยากได้แต่สรรเสริญอย่างเดียวไม่อยากจะได้การตำหนินี่คือความสุขที่ไม่ฝังอยู่ในใจเป็นความสุขที่มาแล้วก็ไปปล่อยให้ใจหลังจากที่มันไปหลังจากที่ไปแล้วมันก็ทำให้ใจรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหมือนกับไม่ไม่ได้อะไรมา ทั้งๆ ท, ที่ได้มาแล้วแต่มันให้ความสุขแค่เดี๋ยวเดียวหลังจากนั้นมันก็ทําให้เกิดความหิวความอยากได้เพิ่มมากขึ้นโบราณท่านว่าได้ครบก็อยากจะได้สอบได้สอบ ก, ก็อยากจะได้วาความสุขแบบนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนชาวพุทธเราให้อย่าไปแสวงหากันเพราะมันเป็น โทษแก่จิตใจเพราะมันจะสร้างความหิวความอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดในเวลาใดที่อยากที่หิวแล้วไม่ได้รับตอบสนองก็จะเกิดความทุกข์ใจเกิดความหงุดหงิดใจไม่สบายใจขึ้นมาให้เรามาหาความสุขทางใจกันดีกว่าด้วยการกระทำความดีต่างๆการกระทำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้ ถ้าเราไม่มีทรัพย์ไม่มีเงินทองที่จะใช้ในการทำบุญทำความดีเราก็ใช้ร่างกายของเรานี้ไปทำความดีได้ไปเป็นอาสาสมัครไปทำงานอะไรที่เราถนัดโดยที่ไม่เรียกร้องข้อตอบแทนไม่เรียกค่าเงินเดือนค่าจ้าง <c oughs> เราทำเพื่อให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมา ความสุขจากการทำความดีมันเป็นความสุขที่ทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจจะทำให้เราไม่หิวโหวยกับการที่จะต้องมีเงินมากขึ้ น, นได้มีตาแหน่งสูงขึ้นมีคนชลเสริญเยืนยอมากขึ้นมีความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือความสุขที่เกิดจากการทาบุญ การทำความดีอันนี้ได้ได้ในขณะที่เราทำในปัจจุบันนี้ได้ในขณะเดียวก็ได้สะสมบุญไว้ในใจของเราในธนาคารบุญอีกด้วยเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราไม่สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ตอนนั้นเราก็ต้องเอาสัยบุญที่เราได้ทำไว้ที่เราได้ฝากไว้ในบัญชีบุญในธนาคารบุญเพื่อที่เราจะได้ อาศัยบุญที่เราได้ฝากไว้ในธนาคารบุญนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้มีความสุขความสบายอัน <c oughs> นี้คือเรื่องของการกระทําที่เป็นบุญเป็นการกระทําที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้อื่นและกับตนเองส่วนในทางตรงกันข้ามเราก็บางทีก็มาทํา การกระทำที่เรียกว่าบาป mm hmm. เช่นเราไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเพณี mm hmm. ไปพูดปดโกหกหลอกลวง <c oughs> <c oughs> ถ้าเรามีการกระทำเหล่านี้ mm hmm. มันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา mm hmm. คำว่านิยามของคำว่าบาปก็คือ mm hmm. การกระทำที่เกิดโทษแก่ผู้และกับตนเอง mm hmm. แก่ผู้กระทำ ไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้ผู้กระทาก็เกิดความทุกข์ใจตามมาเช uh huh. ่นเวลาที่มีโจรผู้ร้ายไปป้นไปจี้ uh huh. ร้านคา้าร้านทองเนี uh ่ย huh. เวลาได้ทองมาแล้วก็ต้องไปทุกข์กับการหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ uh huh. ไม่ใช่กลับมาแล้วจะมีความสุขจะอยู่อย่างสบาย uh huh. ได้เงินทองมาแล้วแต่ก็ต้องไปอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอยู่ด้วยความหวาดระแวงด้วยความกลัว <c oughs> <c oughs> และบาปที่ทำไว้แต่ละครั้งมันก็จะเข้าบัญชีบาปไปมันก็จะสะสมไปอยู่เรื่อยๆจนถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไป <c oughs> เวลาร่างกายตายไปนี้ผู้ที่จะมาะควบคุมหรือ พาจิตให้ไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็คือบุญหรือบาปที่ได้ทำอาไว้บัญชีบุญกับบัญชีบาปก็จะมาลบล้างหักหนี้กันมาต่อสู้กันถ้าบัญชีบาปมีมากกว่าบัญชีบุญถ้ามีบุญน้อยกว่าบาปบาปก็จะมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะดึงใจให้ไปสู่ ที่ที่ไปของบาป ก, ก็คือไปสู่อาบายสี่สถานไปสู่การไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นนสุลกายไปนรกในทงในทางตรงกันข้ามถ้าบัญชีบุญมีมากกว่าบัญชีบาทยอดของบุญมากกว่ายอดของบาบุญก็จะมีกำลังมากกว่าบาบุญก็จะดึงดวงวิญญาณให้ไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆ สวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์พระอริยบุคคลต้องอาศัยกําลังของบุญชนิดต่างๆพาไปนี่แหละคือเรื่องของกรรมและวิบากที่เราทํากันอยู่ตลอดเวลากรรมอีชนิดหนึ่งที่เราทํากันอยู่เป็นประจําโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นกรรมก็คือการกระทําต่างๆที่ไม่เกิดคุณหรือเกิดโทษแก่ผู้อื่น เช่นการดูแลเรี่ยงดูร่างกายของเรานี้ไม่ถือว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเวลาเราออกกำลังกายเวลาเราไปทำงานเพื่อหารายได้มาเลี้ยงร่างกายเวลาที่เราอาบน้าอาบท้าล้างหน้าแปรงฟันดูแลร่างกายของเรานี้เป็นการกระทำกลางๆไม่เป็นการกระทำบุญหรือไม่เป็นการกระทาบาป วิบาก ค, คือบุญ ค, คือผลของบุญคือความสุขใจอินใจก็ไม่เกิดความทุกข์ทางใจก็ไม่เกิดเพราะไม่ได้ไปทำความเสียหายเดือดร้อนให้กับใครยกเว้นว่าการกระทาดูแลร่างกายเราเราไปทำความเสียหายให้กับผู้อื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นอันนั้นถึงจะเรียกว่าเป็นการกระทำบา นี่คือกรรมที่เราทำกันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาที่เรานอ น, อนหลับไป <c oughs> แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราทำกรรมอันใดไว้บ้างอย่างไรนั่นเองตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้แล้วว่ากรรมที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ ก, ก็คือบุญกรรมที่เป็นโทษก็คือบาสนั้นต่อไปนี้เราควรจะมีสติ คอยเฝ้าดูการกระทาของเราดูที่ความคิดของเราดูที่ใจของเราเพราะก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องคิดก่อนถ้าเรามีสติคอยดูใจของเราดูความคิดของเราอยู่เรื่อยๆดูการเคลื่อนไหวของใจว่ากาลังจะเคลื่อนไหวไปทางไหนกาลังคิดจะไปทำบาปนี่ถ้าเรารู้เราดูทันเราก็จะรีบระงับมันเสีย ถ้าเรารู้ไม่ทันมันก็จะลามตามไปที่การกระทาทางวาจาและทางกายต่อไป <c oughs> นี่แหละคือกรรมที่พระเจ้าทรงตัดว่าเป็นผู้ที่ให้คุณให้โทษกับตัวเราทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ <c oughs> ขณะที่เรามีชีวิตอยู่มันก็ให้ความสุขให้ความสบายใจกับเราความอิ่มใจกับเรา หรือให้ความทุกข์ใจกับเราก็ อ, อยู่กับว่าเป็นการกระทำแบบไห น, นแล้วหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปบุญกับบาปที่เราได้ทำไว้นี้มันก็จะมาต่อสู้กันมาแย่งเอาดวงวิญญาณของเราจะดึงไปทิศทางของบาปหรือทิศ ท, ทางของบุญก็อยู่ที่กำลังของบุญและของบาปว่าฝ่ายใดมากกว่ากัน ถ้าบามีกําลังมากกว่าบาปก็จะดึงไปไปสู่อบายให้ไปเกิดในภพที่มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขแล้วก็จะอยู่ในภพเหล่านั้นไปจนกว่ากําลังบาปอ่อนลงแล้วก็มีกําลังพอๆกับกําลังบุญช่วงนั้นบุญก็ยังไม่มีกําลังพอที่จะเด้งใจ ให้ไปสวรรค์ได้บาปก็ไม่สามารถดึงใจให้อยู่ในอบายได้ต่อไปเวลานั้นดวงวิญญาณก็จะมาอยู่รอรับร่างกายอันใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ช่วงที่พวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นช่วงที่บุญกับบาปที่นีในบัญชีบุญกับบาปนี้มันมีกำลังพอๆกันเราถึงมาเกิดเป็นมนุษย์กัน ถ้าบาปยังมีกำลังมากกว่าก็ยังต้องอยู่อาบายต่อไป <c oughs> ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าก็จะอยู่ในสวรรค์ต่อไปแต่ไม่ช้าก็เร็วบุญที่ดึงเราไปหรือบาปที่เราดึงเราไปมันก็จะหมดกำลังลงเมื่อมันได้แสดงผลของมันแล้วเหมือนกับเงินที่เรามีในบัญชีถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเงินมันยอดเงินมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆ หรือบาปก็เป็นเหมือนกับหนี้ที่เราไปค้างเขาไว้เราก็ใช้หนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวยอดของนี้ก็ลดลงมาเรื่อยๆจนพอถึงช่วงที่ยอดของบุญยอดของหนี้คือเงินฝากกับยอดของบาปก็กคือเงินกู้มันมีเท่ากัน<ม>ก็แสดงว่าเราไม่รวยเราไม่จนนะ<ม><ม>เราไม่ เรามีทรัพย์สินพอจะใช้นี่ได้ถ้าต้องใช้ตอนนั้นเราก็จะอยู่ในฐานะของการเป็นมนุษย์แล้วก็จะมารอรับร่างกายอันใหม่ต่อไปมาเกิดใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์และพอเราเกิดมาแล้วพอเราเริ่มโตขึ้นมาเราก็จะมีการกระทําช่วงแรกๆก็อาจจะมีการกระทําเพียงแต่การกระทําที่เป็นกลางๆ แล้วต่อไปก็อาจจะมีการกระทาบาปเพราะช่วงนั้นเรายัางไม่มีความสามารถที่จะมีอะไรของเราเองได้เป็นเด็กๆก็อาจจะไปเอาขาโมยของของคนอื่นมาอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ถ้าอยากจะเลี้ยงลูกให้ลูกไม่เป็นคนดีไม่ทาบาป เวลาเห็นลูกทําบาปเช่นเอาข้าวเอาของของคนอื่นมาโดยที่ไม่ได้อนุญาตก็ต้องสอนต้องเตือนให้ห้ามไว้หรือเวลาลูกพูดปดโกหกอันนี้ก็ต้องคอยสอนคอยบอกเพรนช่วงแรกๆของชีวิตนี้เราเราจะไม่ค่อยได้ทําบุญเพราะเราไม่มีไม่มีความสามารถที่จะทําบุญเงินทองเราก็ไม่มี ร่างกายของเราก็ยังไม่เติบโตพอที่จะไปทําคุณทําประโยชน์อะไรได้มากนะเฉะนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะไปทําบาปถ้าเรามีนิสัยทําบาปติดตัวมาอยากจะได้อะไรก็คว้ามาหยิบมาเวลาถามอะไรก็อาจจะพูดโกหกถามว่าเอาไปหรือเปล่าก็จะโกหกว่าไม่ได้เอาไปานี่เป็นต้น ตอนช่วงเราที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ช่วงตอนที่เราเป็นเด็กๆนี้โอกาสที่เราจะทําบาสนี้มีมากกว่าโอกาสที่เราจะทําบุญเราจะได้ทําบุญก็ต่อเมื่อเราโตขึ้นมาและในช่วงเด็กๆก็มีพ่อแม่คอยสอนวิธีทําบุญให้กับเราพาเราไปใส่บาตรพาเราไปทําบุญสวายข้าวของสวายสังฆทานอะไรต่างๆ พอเราโตขึ้นเราธรรมะมีงานทําได้มีรายได้ของเราบางทีเราก็อยากจะทําบุญเป็นวันเกิดของเราหรือบางทีเราเห็นคนอื่นเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอาจจะเป็นเพื่อนฝูงที่เรารู้จักที่โรงเรียนก็ได้เขาอาจจะเดือดร้อนบ้านช่องบ้านเขายากจนขาดของใช้ไม่สอยต่างๆ รองเท้าก็ขาดเสื้อก็ขาดบางทีถ้าเราอยากจะเรามีความสงสารเราก็อยากจะช่วยเขาเราถ้าเรามีเงินเราก็ให้เงินเขาไปอย่างนี้เราก็จะได้ทําบุญต่อไปอแล้วเราทําบุญแล้วก็ทําบาปไปแล้วแต่ว่าเราจะมีความอยากมากน้อยเพียงไรถ้ามีความอยากได้มาก โอกาสที่จะต้องทำบาปก็มีมากกว่าถ้ามีความอยากได้น้อยโอกาสที่จะได้ทาบุญถ้าได้ทำบาปก็จะน้อยกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคนเป็นจิตนิสัยที่ติดอยู่มาตั้งแต่ชาติก่อนๆชาติก่อนๆถ้าเราถนัดในการทำบาปเราก็มักจะมาทำบาปกันต่อ ถ้าเราถนัดในการทำบุญเราก็จะกลับมาทำบุญกันต่อแล้วเราก็จะกลับเวลาตายไปเราก็จะกลับไปรับผลบุญผลบาปของเราไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมที่เราจะต้องทำกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดทำแล้วก็ไปรับผลบุญผลบาปในสวรรค์ในอบาย แล้วพอพ้นสวรรค์พ้นอวัยก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทาบุญทำบาปเป็นใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะสาเหตุที่ทำให้เรายัางกลับมาเกิดนี้ไม่ได้รับการกำจัดนั่นเองเหตุที่พาให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์กันนี้ก็เพราะความอยากอยากใช้อยากมีร่างกายเพราะเราอยากได้ความสุขจากาลากรสสารเสริญ อยากรูกเสียงกิ่นรสโพสะพาชนิดต่างๆเราอยากมีเงนินมีทองอยากมียศมีตำแหน่งมีอำนาจอยากให้คนยกย่องสรรเสริญเยือนยออยากไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปเดินอะไราต่างๆตามความอยากของเรานี่คือความอยากสามชนิดที่เรียกว่ากามาตันหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรส ภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวย mm hmm. และ ว, วิภาวะตัณหาความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นต้น mm hmm. ความอยากทั้งสามนี้จะเป็นตัวที่จะผลักดันให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆหลังจากที่ร่างกายอันเก่าตายไปแล้วใจที่ยังมีความอยากอยู่ใจก็จะไปดิ่นลน ไปเลยหาร่างกายใหม่ไปรอไปเกิดใหม่ต้องแต่ต้องรอให้บุญกบาระบางส่งผลก่อนจนบุญกบาระบางไม่มีกำลังที่จะเดินให้ไปอยู่ในอบายหรื อ, อยู่ในสวรรค์แล้วใจก็จะกลับมารอคิวเข้าคิวรอมาเกิดใหม่ซึ่งการมาเกิดเป็นมนุษย์นี้อาจจะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนี้ก็ได้ เราไม่รู้หรอกว่ามนุษย์นี้อาจจะมีอยู่ในในดวงดาวดวงอื่นอีกมากมายกายกองที่มีอยู่ในจักรวาลนี้ออคงเป็นไปไม่ได้หรอกว่าทั้งจักรวาลอันใหญ่โตมโหฬารมีดวงดาวมากมายกายกองนี้จะมีโลกนี้โลกเดียวที่ให้มนุษย์อยู่ได้ เ, ออเพราะดวงวิญญาณที่เราเกิดนั้นมันมีมากความก่าจำนวนของมนุษย์ที่จะได้เกิดแต่ละครั้งได้ เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะไม่ได้กลับมาเกิดบนดาวดวงนี้ก็ได้แต่เราอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์เองอยู่บนดวงดาวอีกดวงหนึ่งก็ได้อันนี้เป็นเรื่องซึ่งเราไม่ไมไมจาเป็นจะต้องรู้อันนี้เพียงแต่พูดให้ฟังเพราะบางคนถามว่ามีสัตว์ต้องเยอะแยะที่ตายไปแล้วเขาจะกลับมาเกิดแล้วเขาจะมีที่เกิดหรือ ก็นั่นแหละก็ถ้าไม่ได้มาเกิดที่นี่ก็อาจจะไปเกิดบนอีกโลกหนึ่งก็ได้โลกที่มีมนุษย์ที่ให้เขาเกิดได้เพราะดวงวิญญาณนี้สามารถไปทุกแห่งทุกหนในจักรวาลนี้ได้ในในเพียงใช้เวลาเพียงกระพริบตาเท่านั้นเองเพราะดวงวิญญาณนี้ไม่มีร่างกายไม่มีรูปร่างหน้าตาจึงไม่มีการจําเป็นที่จะต้องเดินทางเหมือนกับร่างกายเพียงแต่ส่งกระแสความนึก ความคิดมันก็ไปถึงจุดๆนั้นแล้วจุดไหนที่มีการผสมพันธ์กันระหว่างพ่อกับแม่มีการต้าคขันดวงวิญญาณก็สามารถที่จะไปเกาะติดได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่บนดวงดาวอันไหนก็ตามนี่แหละนี่คือเรื่องราวของพวกเราที่เรากำลังเป็นกันอยู่และจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆซึ่ง การเกิดแต่ละครั้งนี้มันก็มีความทุกข์ที่เราจะต้องเผชิญกันทุกตั้งแต่ออกจากท้องแม่เลยทุกก็ต้องหายใจเองนะต้องหายใจเองต้องกินเอง <c oughs> เวลาหิวเวลาอะไรก็ต้องร้องร้ <c oughs> องด้วยความทุกข์ <c oughs> เพื่อให้พ่อให้แม่ได้รู้ว่าตอนนี้กำลังทุกข์ <c oughs> กลังหิว <c oughs> พ่อแม่ก็จะต้องคอยหาน้ำหานมหาอาหารหรือหาเสื้อผ้าถ้าอากาศมันหนาวเกินไปก็ร้องอากาศร้อนเกินไปก็ร้อง mm hmm. ก็เป็นความทุกข์ตั้งแต่เกิดมาทุกในการเลี้ยงดูร่างกาย mm hmm. แล้วพอโตขึ้นเราก็ต้องเลี้ยงดูร่างกายของเราเอง mm hmm. ก็ต้องไปดินน่นหล่นทามาหากินหาเงิ น, ห า, งนหาทองหาไรายได้ <c oughs> เพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ต่อไปต้องไปหาปัจจัยสี่มาใช้ในการสนับสนุนในการปกป้องร่างกายร่างกายก็ต้องมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยมีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเพื่อป้องกันภัยจากอากาศที่หนาวเย็นหรือจากแมลงสัว์กัดต่อยต่างๆอาหารก็ต้องมีให้รับประทานอยู่ตลอดเวลา เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมียารักษาโรคมีเงินไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ<ม>ก็เป็นภาระที่จะต้องดินน้นรนหาเงินหาทองกันอยู่ตลอดเวลา<ม>อันนี้ก็เป็นความทุกข์ในการดำดรงชีพแล้วก็ยังมีความทุกข์ที่เกิดจากความชราภาพของร่างกายร่างกายเมื่อมันใช้มันไปเรื่อยๆมันก็เป็นเหมือนรถยนต์น่ รถยนต์เมื่อใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเก่ามันก็จะเสียร่างกายก็จะแก่ลงไปกำลังวังชาก็จะถดถอยลง <c oughs> โรคภัยไข้เจ็บก็มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> จนในที่สุดร่างกายก็ต้องถึงแก่ความตายไป <c oughs> อันนี้เป็นผลที่เกิดจากการมาเกิด <c oughs> เป็นผลที่เกิดจากการไม่รู้ว่าเหตุที่พาให้เรามาเกิดคือ ความอยากทั้งสามการมาตันหาความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นลดภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นและวิภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นความอยากทั้งสามนี้มันจะบังคับให้เรานี้ไปมีร่างกายเพราะถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไปเสบรูปเสียงกลิ่นลดผดพะไม่ได้ไปหาลาบยศสารเสริญมาไม่ได้นั่นเองนั้นการเกิดนี้มันก็มี ส่วนที่ดีและมีส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ดีก็ได้ตอบสนองตันหาความอยากของเราส่วนที่ไม่ดีก็คือมันจะต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆบางทีทุกข์แย่ทั้งไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกก็มีบางทีทุกข์เยะทุกข์กจนไม่อยากจะอยู่ต่อไปก็มีคนบางคนก็คิดถึงกับการฆ่าตัวตายไปเพราะทานอยู่กับความทุกข์ที่มีในขณะนั้นไม่ได้ และเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องกลับมาเกิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเรื่องราวเหล่านีเน้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลึกลับสำหรับคนทั่วไปต้องรอให้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสุ้มาประกาศก็ทำคำสั่งคาสอนให้พวกเรารู้ถึงผลต่างๆที่เกิดจากการกระทําของเรา ว่าการที่เรามีการกระทาบุญหรือการกระทำบาปนี้ส่งผลต่อจิตใจเราอย่างไรและการที่เรามาเกิดอยู่เรื่อยๆนี้อะไรเป็นตัวที่พาให้เรามาเกิดกันถ้าเราไม่อยากที่จะต้องมาเจอกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่นความทุกข์ที่ที่เกิดจากการมีร่างกาย และความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปเราต้องการที่จะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ส่งค้นพบวิธีที่จะทำให้เร่านี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวทำให้เรากําจัดความทุกข์ต่างๆที่หมดไปจากใจได้ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปได้ อันนี้ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะรู้เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่จะรู้ ว, วิธีของการหยุดการเกิดที่จะรู้ว่าการกระทาบุญจะส่งผลอย่างไรการกระทาบาปจะส่งผลอย่างไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะหลงละเลยกันเวลาที่ร่างกายของเราแข็งแรงเราก็ไม่เราก็ไม่กังวลกับความแก่ความเจ็บความตายเราก็สนุกสนาน หาลาบยศหาสารรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกิจนลดไปกันเรื่อยๆแต่พอวันใดวันหนึ่งเกิดร่างกายเป็นอะไรขึ้นมามเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคอะไรต่างๆขึ้นมาเวลานั้นความสนุกสนานความเพลิดเพลินของชีวิตมันก็จะหายไปแล้วตอนนั้นบางทีก็จะไม่สามารถรู้จักวิธี <c oughs> สู้กับความทุกข์ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้ก็อาจจะคิดสั้นกันอยากจะฆ่าตัวตายกันการฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเพราะร่างกายไม่ใช่เป็นตัวปัญหาตัวปัญหาก็คือใจตัวความอยากในใจที่สร้างความทุกข์ให้กับใจตัวความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ต่างหาก ที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเวลาที่ร่างกายแก่และร่างกายเจ็บร่างกายตายตัวความแก่เองความเจ็บเองความความตายของร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวทุกขตัวทุกนี้อยู่ที่ใจที่เกิดจากความอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเท่านั้นเองอนนี้คือสิ่งที่เราจะไม่รู้กัน ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสได้มาพบกับคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้เราไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตามถึงแม้เราไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตามแต่ถ้ายังมีคำสอนของพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกับมีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้การอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้า หรือการได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าที่มีผู้อนำเอามาเอามาสั่งเอามาสอน <Yeah. S 2> ก็ถือว่าได้ได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าโดยตรง <Yeah. S 2> ตราบใดถ้ายังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้อยู่ <Okay. S 2> เราก็ยังจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกรรมเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดและเรื่องของการวิธีปฏิบัติที่จะทาให้เรายุติ การเวียนว่ายตายเกิดได้อยู่มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือมีพระธรรมของพระคําสอนของพระอริยสงสาวกของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าพระสุปฏิปันโนท่านก็มีคําสอนแบบเดียวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการสามารถสอนให้พวกเรานี้อ หยุดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้สามารถสอนให้เราหยุดการกลับมาเวียนว่ายได้เกิดได้ดังนั้นสิ่งที่เรา <c oughs> ต้องมีก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีของพระอริยสงสารวก็ดีถ้าไม่มีแล้วเราจะไม่รู้จักวิธีการดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตาย จะไม่รู้จักวิธีหยุดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปต้องมีคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือของพระอริยสงสาวมก็ดีถ้าเรามาเกิดในยุคหรือในประเทศที่ไม่มีคําสอนนเราก็จะมืดบอดเราก็จะไม่รู้วิธีการต่างๆในการดับความทุกข์แต่พวกเรานี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นโชคคาาบอันยิ่งใหญ่ ที่พวกเราได้มาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นประเทศเป็นศาสนาหลักของชาติคนไทยนี้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นี้เป็นพุทธดังนั้นเขารบคำสั่งคำสอนศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติตาม แต่กำลังของแต่ละท่านศรัท ธ, ธามากก็ปฏิบัติได้มากศรัทธาน้อยก็ปฏิบัติได้น้อยแต่ก็บางทีก็ต้องเริ่มจากน้อยไปหามากก่อนถ้ามีศรัทธาน้อยก็เริ่มทำไปตามกำลังเมื่อทำไปแล้วก็จะมีกำลังมากขึ้นศรัท ธ, ธามากขึ้นเพราะจะได้เห็นเพราเพราะจะได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการได้ปฏิบัตินั่นเอง ว่าทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลง<ม>ก็อยากจะทำให้มีการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับนั้นเอง<ม>แต่ต้องมีการศึกษาและการปฏิบัติควบคู่กันไปมไม่ใช่ศึกษาฟังเทศหนเดียวครั้งเดียวแล้วก็เอาไปปฏิบัติครั้งสองครั้งแล้วก็เลิกไปถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะไม่ได้อะไรมากมต้องเป็นต้องมีการกทาอย่างต่อเนื่อง ไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนตามกำลังมากน้อยก็ทำไปบางวันก็ จ, จะมีกำลังมากก็ทำมากหน่อยบางวันมีกำลังน้อยก็ทำน้อยหน่อยแต่จะไม่จะแต่จะไม่เลิกทาเมื่อทำได้ศึกษาแล้วว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำที่เราควรทำเพื่อความสุขเพื่อการดับความทุกข์ของใจของเราเราก็ต้องพยายามมีความเพียรพยายาม ต้องคอยผลักดันความขี้เกียจให้มันออกไปจากใจเวลาขี้เกียจก็ใช้เอาความขยันนี้มามาดับมันขี้เกียจนั่งก็ต้องนั่งขี้เกียจนั่งก็นั่งสองเท่าขี้เกียจสวดมนต์ก็สวดมนต์สองเท่าเนี่ยต้องต้องเกยทับมันมันมาเท่าหนึ่งเราก็ต้องกลับไปสองเท่าแล้วต่อไปความขี้เกียจต่างๆมันก็จะหายไปเอง นี่คือสิ่งที่เราต้องมีถ้าเราอยากจะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราและยุติการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตายพบเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดการแก่การเจ็บการตายต่อไปสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีก็คือแสงสว่างแห่งธรรมที่จะเป็น แสงที่จะนำทางของเราให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ตอนนี้ใจเราเป็นเหมือนใจที่อยู่ในที่มืดมองไม่เห็นทางไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้ไม่รู้ว่าที่ททเหนือที่ใต้อยู่ตรงไหนไม่รู้ทางเข้าทางออกอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเรามีไฟฉายหรือมีเทียนพอเราเปิดขึ้นมาเราก็จะเริ่มเห็นอ๋อตรงนี้เป็นทางเข้าทางนี้เป็นทางออกอะไรเป็นต้นเหล่านี้ ดังสิ่งที่เราต้องเป็นจะต้องมีในเบื้องต้นก็ต้องมีไฟนําทางไฟนําทางก็คือคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่พอเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้เห็นอะไรที่เราไม่เห็นมาก่อนเห็นทุกข์ที่เราไม่เห็นมาก่อนว่าเกิดจากอะไรและเห็นวิธีของการดับทุกข์ก็จะดับได้อย่างไรอันนี้เราเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาล่ําเรียนกัน เพื่อที่เราจะได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปสร้างความสุขให้อยู่ในใจของเราไปอย่างยั่งยืนถาวรอย่างไม่มีวันสิ้นสุดการที่เราจะทำสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ต้องมีคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือคำสอนของพระอริยสงสาร ก, ก็ดี คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นี้กับภาษาวกทุกๆองค์นี้สอนเหมือนกันหมดมีสามหัวข้อใหญ่ๆด้วยกันคือ <c oughs> หนึ่งให้ละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะบาปเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจสองให้สร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมเพราะการสร้างบุญการสร้างกุศลนี้นําความสุขมาให้กับใจและสามให้ชาําระใจให้สะอาด ชั่มะกิเลสตัณหาความอยากที่พาให้จิตใจต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆชั่มะกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจถ้าเราสามารถทําทั้งสามข้อนี้ได้แล้วความทุกข์ที่เคยมีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดใจของเราก็จะมีแต่ความสุข หน้าใจของเราก็จะยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเพราะเราชำระนใจให้สะอาดปราศจากเชื้อของภพชาติเชื้อของภพชาติก็คือตัณหาทั้งสามกามาตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่ดังนั้นสิ่งที่เราจะตําเป็นจะต้องทํากันก็คือเบื้องต้นต้องศึกษาว่าบาปคืออะไร การละการกระทำบาปนี้ต้องละได้อย่างไรแล้วบุญคืออะไรแล้วเราจะสร้างบุญสร้างกุศลกันได้อย่างไรและการชำระใจเราต้องชำระด้วยอะไร<ม>เหมือนกับการซักเสื้อผ้าเราต้องซักเสื้อผ้าเราต้องมีอะไรบ้างต้องมีน้ามีผงซักฟอกจะ ม, มะีเครื่องซักก็ได้ถ้าไม่มีเครื่องซักก็ให้มี กำลังใส่ผ้าใส่น้าใส่ผงซักฟอกแล้วเราก็ใช้มือเราฟอกซักฟอกกันก็ได้ใจก็ต้องมีเครื่องซักฟอกเครื่องซักฟอกของใจเราก็เรียกว่าการภาวนาการปฏิบัติจิตตภาวนาสามถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้คือสามเรื่องใหญ่ๆที่ถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาคือความทุกข์ใจการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนี้ เราต้องรู้จักเรื่องทั้งสามเรื่องนี้แล้วรู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าเรารู้แล้วเรานำอาไปปฏิบัติได้เราก็จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้แล้วก็สร้างแต่ความสุขให้กับใจแล้วก็ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อถึงเวลาร่างกายตายไปจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากตัณหาความอยาก ก็จะไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปดังนั้นนี่สิ่งที่เราต้องมาศึกษากันอันนี้ก็จะพูดคร่าวๆให้ฟังบาปคืออะไรบาปก็คือการกระทําที่สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้นั่นเองสร้างโทษให้แก่ผู้นั้นเช่นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการรักทรัพย์ของผู้นั้นการประพฤติผิดประเพณีและการพูดโกรโกหกหลอกลวง การกระทําเหล่านี้เป็นการสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้แก่ผู้เราต้องเลิกทำอย่าทำวิธีก็คือเราต้องรักษาศีลห้ากันเครื่องมือที่จะทําให้เราไม่กระทํำบาปก็คือศีลห้าเราต้องสมาทานศีลห้าตั้งสัจจะว่าต่อไปนี้จะถือศีลห้าไปตลอดชีวิตไม่ใช่ถือศีลห้าเฉพาะวันพระเท่านั้นเอง หรือสำหรับคนบางคนที่เป็นศีลธนชชัยก็สมาทานศีลห้าตอนนอนตอนก่อนนอนท่านเองเพราะเวลานอนมันสบายมันรักษาศีลได้ทุกข้อ<ม>แต่ศีลห้านี้มีไว้สําหรับเวลาที่เราตื่น<ม>เวลาที่เราตื่นเราต้องระมัดระวังว่าการการะทำของเรานี้ไม่ไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อน ไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปลักทรัพย์ไม่ไปเพ้อพูดผิดประเพณีไม่พูดปดและการที่จะทำให้เรารักษาศี่ห้าได้ก็คือเราต้องมีฮิริโอตปะฮิริก็คือความอายเพราะว่าคนเราถ้าไม่รู้จักอายนี่มันจะทําอะไรก็ได้หมดเป็นกายเป็นคนหน้าด้านไปแต่คนที่ไม่หน้าด้านนี่เขารู้ว่าการกระทํำบาป น, นี่เป็นสิ่งที่น่าอับอาย เพราะว่าเวลาเราเห็นคนอื่นเ็าทำบาปเราก็มักจะประนามเขาเรามักจะรังเกียดเขาแล้วทำไมเวลาที่เราทำบาปเราไม่ประนามตัวเราเราเองบ้างเราไม่ประนามตัวเราเราเองบ้างไม่อับอายขายหน้าบ้างถ้าเรามีเฮลิคือความอมายเราก็จะไม่กล้าทำบาปแล้วมีโอตตะปะคือความกลัวผลของบาปที่จะตามมาผลของบาปก็อย่างที่ได้ แสดงไว้ในเบื้องต้นเวลาทำบาปแล้วใจจะร้อนใจจะทุกข์ใจจะไม่สบายใจจะไม่เป็นปกติอยู่ไม่เป็นปกติอยู่แบบระหวาดระแวงอยู่แบบหลบๆซ่อนๆ อ, อันนี้ไม่กล้าสู้หน้าใครไม่กล้าสู้ตาใครเวลาเจอใครนี่เกิดเขาถามว่าไปทำอะไรมาหรือเปล่าก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าตอบหรือถ้าตอบก็ต้องไปโกหกอีก อ, อันนี้ เราต้องมี <c oughs> ความสำนึกฮิเลโอตปะกลัวผลของบาป ท, ที่เกิดตามมาแล้วตายไปบาป ท, ที่เราได้ทำถ้าสะสมมากกว่าบุญบาปมันก็จะพาให้เราไปเกิดเป็นสัตว์ในละชานไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยคือเปรตเป็นดวงวิญญาณที่หวาดกลัวก็คื อ, อสุรกายและเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่อาฆาตาาพยาบาทเคียดแค้นก็เป็นนรกไป ถ้าเรารู้ว่าการทําบาปจะมีผลอย่างนี้เราก็จะไม่กล้าทําบาปกันและสิ่งที่เราต้องละควบคู่ไปกับการกระทําบาปก็คือการเสพอบายามุขเพราะอบายามุขนี้จะเป็นตัวที่คอยจะผลักดันให้ใจไปทําบาปได้ง่ายขึ้นเช่นถ้าเราดื่มสุรายาเมาเนี่ยพอเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาเราก็จะขาดสติ เวลามีความคิดที่จะทํำบาปก็จะไม่มีอะไรมายับยัง้งแต่ถ้าเรามีมีสตินี้เราจะพอรู้ว่าเรากำลังจะทําบาปล้วก็จะไม่กล้าทำเพราะเราพราะเรารู้ว่าผลของบาปมันเป็นอย่างไรต้องต้องอยาเสพอบายามุกเดือบจรายาเมาเล่นการพ น, นันเล่นการพนันก็จะทําให้เหล่านี้ไม่ช้าก็แล้วต้องหมดเนื้อหมดตัว พอไม่มีเงินทองก็ต้องไปลักไปขโมยไปไปหาเงินโดยวิธีมีมชอบทําผิดทําบาปนั่นเอง uh huh. การเที่ยวกับการคืนก็เหมือนกันการเที่ยวก็มีแต่การใช้เงินใช้ทองต่อไปเงินทองก็จะไม่พอใช้พอเงินทองไม่พอใช้ uh huh. ก็ต้องไปหาเงินทองโดยวิธีทุจริตไปโกหกหลอกลวง uh huh. ไปลักไปขโมย uh huh. เงินของผู้ uh huh. แล้วก็ ความเกลียดค้านก็ไม่ได้ทําให้เกิดมีรายได้อะไรและการคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรก็ไม่ดีเพราะถ้าคบกับคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวเขาชอบความเกลียดค้านเขาก็จะชวนเราไปทําความเกลียดค้านไม่ให้มีความขยันทำมาหากินเป็นต้น อนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามละกันให้ได้ถ้าเราไม่อยากที่จะต้องไปรับผลของบาปที่เราทําไว้ทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วาตายไปถ้าเรายังยังไม่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดอย่างน้อยก็ขอให้เราปิดประตูาบายกันไว้ก่อนประตูาบายก็ปิดได้ด้วยการรักษาศี่ห้านี่เอง รักษาศีลห้าละเว้นจากการเสพอบา ย, ยางมุกถ้าเรารักษาศีลห้านับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันตายได้รับประกันได้ว่าตายไปนี้จะไม่ไปอบายอย่างแน่นอน <c oughs> แล้วก็ข้อที่สองเราก็อยากจะมีความสุขกันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ <c oughs> ก็ให้เรามาหาความสุขทางใจด้วยการทำความดีกันให้เรามาทำความดีต่าง มาว่าเป็นการทำบุญทำทานด้วยวัตถุเข้าของเงินทองก็ได้หรือการทำบุญทำทานด้วยการเสียสละเวลาของเราเรามีเวลาว่างเราก็ไปรับใช้ผู้รับใช้สังคมเป็นอาสาสมัครอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็จะทั้งสร้างความสุขให้กับใจหรือไปรับใช้ดูแลบุคคลที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายที่ซึ่ง ท่านอาจะต้องการความช่วยเหลือของเราเพราะท่านอายุมากแล้วไม่มีใครดูแลก็ต้องคอยช่วยดูแลท่านไปหรือถ้าเราไม่มีเวลาเรามีทรัพย์เราก็จ้างพยาบาลหรือใครมาดูแลแทนเราก็ได้ mm hmm. อันนี้เป็นวิธีการสร้างความสุขที่แท้จริง mm hmm. เป็นความสุขที่จะสะสมอยู่ในใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสุขที่จะ ดึงให้ใจเราไปสวรรค์ต่อไปหลังจากถ้าเรายังไม่ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเราก็จะไปเกิดในสวรรค์กันก่ อ, น, อนนี้ก็คือการทำบุญอย่าไปหาความสุขจากการหาเงินทองหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพอันนี้เป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วก็หมดไปไม่มีอะไรสะสมไว้ในใจตายไปดวงวิญญาณจะไม่สามารถเอาความสุขจากการเสพ โลกกระทำทั้งสี่ไปได้เลยแม้แต่นิดเดียวให้เราเอาความสุขที่เกิดจากการทําความดีทําบุญทํากุศลเพราะมันให้ความสุขทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และเราสามารถเอาติดไปกับดวงวิญญาณของเราได้นี้คือวิธีของพระพุทธเจ้าในการสร้างความสุขทางใจสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมทําแบบไหนได้ก็ทําไป สะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นไปไม่หมายความว่าจะต้องทําทุกรูปแบบแต่ละคนอาจจะมีข้อจํากัดไม่เหมือนกันบางคนมีทรัพย์แต่ไม่มีเวลาก็ใช้ทรัพย์เป็นการทําบุญบริจาคเงินให้กับองค์กรต่างๆไปให้กับบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ไปบางคนไม่มีทรัพย์แต่มีเวลาก็ใช้เวลาของตนให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับผู้อื่นกับสังคมก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสุขให้กับใจได้เหมือนกัน นี่คือขั้นที่สองขั้นแรกอย่าทำบาปขั้นที่สองถ้าอยากจะมีความสุขในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดอีกก็ให้สร้างบุญสร้างกุศลไว้เพื่อที่เราจะได้ไปเกิดในสุคติต่อไปขณะที่มีชีวิตอยู่ใจของเราก็มีความสุขมีความร่มเย็นไม่หิวโหวยกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่หิวโหวยกับลาบยศสารเสริม เราสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้แล้วก็ข้อคิข้อที่สามก็คือถ้าเราต้องการหยุดการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปเราก็ต้องไปชำระความอยากทั้งสามประการนี้คือความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นด้วยการใช้เครื่องชาระจิตเครื่องชำระจิตนี้เราเรียกว่าจิตตะภาวนา จิตตภาวนานี้เป็นการชาระแบ่งเป็นสองขั้นด้วยกันขั้นแรกก็คือสมถะภาวนาทำใจให้สงบขั้นที่สองก็คือทำใจให้ฉลาดสอนใจให้รู้ทันรู้สิ่งต่างๆที่ใจไปหลงคิดว่าให้ความสุขให้เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นความสุขมันเป็นความทุกข์นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราอยากจะชาระ ความอยากที่เป็นเหตุที่พาให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างไม่มีวันหยุดสิน้นความรู้นี้ไม่มีใครรู้ในโลกนี้มาก่อนนะความรู้สองข้อแรกนี้ยังมีคนรู้กันอยู่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสรุปก็มีคนทําบุญกันมีคนละา บ, บาปกันอยู่แต่ไม่มีใครรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทําให้ ก, กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถพบความจริงอันนี้ได้ รู้ว่าการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นผลที่เกิดจากความอยากทั้งสามนี้การมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาดังนั้นเราต้องมากําจัดด้วยการปฏิบัติจิตภาวนาขั้นต้นเราก็ทําใจให้สงบสงบเวลาใจสงบเราก็จะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้ชั่วคราวความอยากนี้มันจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อใจเรามีความคิดปรุงแต่งมีการเคลื่อนไหว แต่ถ้าเราหยุดความคิดปรุงแต่งความเคลื่อนไหวของจิตได้ความอยากในตอนนั้นก็จะหยุดทํางานพอเวลาความอยากหยุดทํางานเราก็จะเห็นผลของความของการหยุดความอยากว่ามันทําให้ใจเรามีความสุขมากเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศเสริญสุขหรือเป็นความสุขที่เกิดจากการทําบุญทําทานต่างๆ ถ้าเราได้ความสุขที่เกิดจากการทาใจให้สงบแล้วเราก็จะมุ่งไปที่ความสุขอันนี้เพียงอย่างเดียวเพียงแต่ว่าความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบด้วยสมาธินี้ด้วยสตินี้ยังเป็นความสุขชั่วคราวจะสงบจะมีความสุขเฉพาะตอนที่เข้าไปในสมาธิเวลาที่จิตหยุดคิดหยุ ด, ดหยุดทำงานหยุดหยุดปรุงแตง่งความสุขก็จะเกิดขึ้นแต่เป็นความสุขชั่วคราว พอออกจากสมาธิมาพอจิตเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความสุขนั้นก็จะหายไปแล้วก็จะเกิดเรื่องราวต่างๆที่เกิดจากความคิดตามมาซึ่งถ้าคิดไม่ดี ก, ก็จะก็จะกลายเป็นความทุกข์ก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าคิดไปในทางความอยากถ้าคิดไปในทางความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไ ม, ม, กไม่เป็นความทุกข์ก็จะทําก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่วิธีที่จะทําให้จิตเรา ไม่คิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไม่คิดถึงไม่คิดด้วยความอยากก็ต้องใช้ใช้ปัญญาสอนใจให้ใจเห็นว่าสิ่งที่ความอยากต้องการเช่นรูปเสียงกลิ่นรสหรือลาบยศสารเสรญ น, นี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ได้มาแล้วแล้วมันก็มีวันที่จะหมดไปได้หรือเปลี่ยนไปได้เพราะสิ่งที่เราได้มามันเปลี่ยนไปหรือหมดไป มันก็จะทาให้เราทุกข์ใจขึ้นมาได้ถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนเป็นความสุขชั่วคราวจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเขาเป็นอนัตตาเพราะเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้เสมอไปสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราตลอดเวลาไม่ได้บางเวลาเขาก็ไม่ให้ความสุขกับเรา บาเวลาเขาก็ให้ความทุกข์กับเราแทนถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นว่าเขาเป็นอนัตตาและเห็นว่าถ้าเขาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเขาก็จะต้องให้ความทุกข์กับเราเวลาที่เราต้องการให้เขาให้ความสุขให้ทําตามที่เราต้องการพอเขาไม่ทําตามที่เราต้องการก็จะทําให้เราทุกข์ใจขึ้นมาเราต้องเห็นตายรักษณ์ในสิ่งที่ตันหาทั้งสามอยากได้ อยากได้รูปเสียงกลิ่นอะก็ต้องเห็นว่ามันเป็นตายักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยากมีอยากเป็นอยากรล่าอยากรวยอยากใหญ่อยากโตก็เป็นของที่ไม่แน่นอนได้แล้วเดี๋ยวก็หมดไปได้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายมันก็บางทีก็บังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ร่างกายถึงเวลามันจะแก่มันก็ต้องแก่ถึงเวลามันจะเจ็บก็ต้องเจ็บ เราต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปอยากในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะมันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขพอเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์ต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากได้อะไรในโลกนี้ความอยากทั้งสามที่มีอยู่ในใจก็จะหมดเสิ้นไปใจของเราก็จะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นใจที่ไม่มีเชื้อของภพชาติอีกต่อไปไม่มีอะไรที่จะดึงให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้พระพุทธเจ้าเรียกว่านิพพานนี่พระนิพพานนิพพานไม่ใช่เป็นสถานที่ตเป็นสถานภาพของใจที่ได้รับการชำระจากการปฏิบัติจิตธรรมนาโดนจิตใจสะอาดบริรสุทธิ์ปราศจากความอยากกิเลสตัณหาความเศร้าหมองต่างๆพอใจไม่มีกิเลสตัณหาแล้วใจก็สะอาดบริสุทธิ์มีความสุขอยู่ในตัวของใจเองจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเกิดแก่ ไปเกิดไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อีกต่อไปใจ ก, ก็จะไม่มีวันกลับมาเกิดอีกต่อไปใจ ก, ก็จะหมดพ้นจากความทุกข์เพราะทุกขนี้ย่อมมีแก่ผู้การหลุดพ้นจากความทุกข์นี้จะมีอยู่กับผู้ที่ไม่กลับมาเกิดเท่านั้นตามใดที่ยังมีการมาเกิดอยู่ตามนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์อยู่นี่คือสิ่งที่ เรื่องใกล้ตัวเราที่เราไม่รู้จักกันที่เราวันนี้ได้มาเรียนรู้กันกรร็เรื่องของกรรมเรื่องของกรรมที่เราทำกันอยู่ทุกวันตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับตอนนี้เราได้รู้จักเรื่องของกรรมแล้วเราก็ต้องมาเลือกทำว่าจะเราจะทำกรรมแบบไหนดีกรรมดีก็ทำให้เรามีความสุขใจกรรมไม่ดีก็จะทาให้เราทุกข์ใจทาตามความอยากก็จะทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อย หยุดความอยากได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปก็วันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตชิ น, นังเปตานางอุ ป, ปกปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจะตุ สัพเพปุเรงตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุธาปะจายโน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 ถ้ามีมือถือก็ส่งก็งกมาทางเพจทาง YouTube แทนวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานากุศจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ447ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์294ยูทูบดรวี66คลั b h ฮ u s e 8วิทยุออนไลน์7นากุศ155รวมทั้งหมด977ท่านค่ะ ก็มีอะไรก็เชิญถามได้เลยคำถามจากทางเฟ e บ o ๊ k ค่ะหนูเคยเห็นกรรมเก่าในชาติเดิมๆที่ผ่านมาว่าเคยประพฤติเลวอะไรไว้ไม่ประสบปัญหาต่างๆทั้งสุขภาพและความเป็นอยู่กรรมเดิมๆมันผุดขึ้นมาให้เห็นทุกครั้งและที่สำคัญที่ใส่เดิมๆที่พบในพบที่ผ่านมามันคงติดมาด้วยเหตุนี้ไม่ควรไปยึดไว้ แต่ควรมุ่งปฏิบัติตามคำสอนทำดีละชั่วชำระจิตใจให้สะอาดละจากกิเลสทั้งสามให้ถึงพร้อมมุ่งหาทางเดินเข้าสู่มักฌิมองแปดนี่คือสิ่งที่ควรยึดควรทำในปัจจุบันใช่หรือไม่เจ้าคะใช่แล้วใช่แล้วคำถามจากทาง y o u ู u b e พราชาสุชาติค่ะ ถ้าเรามาจากครอบครัวที่ผิดศีลเช่นถูกสั่งสอนให้รักเล็กขโมยน้อยมาตั้งแต่เด็กแต่ปัจจุบันเรารู้จักผิดชอบชั่วดีชาติหน้าพบหน้าเราจะเป็นคนขี้ขโมยเหมือนในชาตินี Net ้ไหมหรือไม่เจ้าคะก็อยู่ว่ามันฝังอยู่ในในใจเราจเป็นนิสัยหรือไม่ถ้าเรามปนิสัยไม่ชอบทำบาปต่อให้ใครมาสอนให้เราทำบาปเราก็จะไม่ทาแต่ถ้ามันยังไม่ฝังอยู่ในนิสัยทาตามเพราะเขาบอกให้ทา แต่พอไม่มีใครบอกก็บางทีก็ไปทำสเสงถ้าอย่างนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะไปทำบาปได้อยู่ท่านี้ยังไม่มีคำถามค่ะการทำบุญด้ือการทำบาปนี้ถ้าเราทำไปเรื่อยๆมันจะติดเป็นนิสัยไปแล้วต่อไปเวลาเราไปอยู่ที่ไหนถึงแม้มีคนเขาจะชวนเราไปทำบาป แต่ถ้าเราชอบทําบุญเราก็จะไม่ไปทําบาปเช่นเดียวกับคนที่ทําบาปอยู่เรื่อยๆจนจนเป็นนิสัยถึงแม้ไปอยู่กับคนที่เขาทําบุญก็จะไม่ชอบทําบุญจะห น, นีไปทําบาปนั่นอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะปลูกฝังนิสัยอย่างไรนิสัยดีเราก็เรียกว่าบารามีนิสัยไม่ดีเราก็เรียกวิาวบากหรือสังดานนั่นก็พยายามปลูกฝังนิสัยที่ดีไว้ เพราะว่านิสัยที่ดีจะนําความสุขมาให้กับเรานิสัยไม่ดีจะนําความทุกข์มาให้กับเราเังน mm ั hmm. ้นต้องพยายามฝืนนิสัยที่ไม่ดีถึงแม้ว่าในอดีตจะมีนิสัยชอบทําบาปแต่ถ้าเราได้มาพบกับคนฉลาดบัณฑิตอย่างพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่สอนให้เราพยายามละบาปกันเวลาที่เราอยากจะทําบาปเราก็ต้องพยายามฝืนใจอย่าไปทํา ถ้าเราฝืนไปบ่อยๆต่อไปอาการอยากที่จะทําบาปมันก็หมดไปเองทุกครั้งที่เราอยากทําบาปแล้วเราฝืนความอยากจะทําบาปมันก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆแ mm hmm. ช่เดียวกับการทําบุญทุกครั้งที่เราเราอยากจะเราอยากจะทําบาปแล้วก็เปลี่ยนใจไปทําบุญ น, นี้ mm hmm. ถ้าเราทําบุญมากขึ้นกาลังที่เราจะทําให้เราอยากทําบุญก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ พยายามปลูกควงนิดสายที่ดีไว้เพื่อจะได้ใจจะได้มีความสุขใจจะได้กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ต่อไปยังไม่มีคำถามเข้ามามีไหมมีมาหนึ่งคำถามค่ะจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติมีใครอยากจะถามอะไรไหมที่อยู่ในนี้ถามได้เนะี่ย ยาวเอาไมโครโฟนไปถามก็ได้ครับ okay. คำถามจากทาง Youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะตอนนั่งสมาธิพุทโธไม่ยอมหายไปลมหายใจเข้าออกไม่ยอมหายไปต้องแก้ไขยอย่างไรครับพยายามตามให้ทันแต่ได้แค่ตามไปครับหรือแบบนี้คือถูกต้องแล้วหรือเปล่าครับก็เราทำไม่ไม่ต้องการให้มันหายนะเราต้องการให้ความคิดหาย เราต้องใช้พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอถึงเวลามันจะหายมันก็มันก็เวลาจิตสงบมันก็จะหายไปเองแต่ถ้าจิตยังไม่สงบแล้วเราอยู่พุทโธเราก็ต้องทำพุทโธต่อไปอย่าปล่อยอย่าอย่าปล่อยให้มันหายเราพยายามรักษาพุทโธไปจนกว่าจิตจะสงบจะนิ่งแล้วพุทโธมันก็จะหยุดไปเองคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ การที่เข้าโรงพยาบาลผ่าตัดบ่อยมาก6ครั้งแล้วค่ะเป็นการใช้กรรมเก่าหรือเปล่าเจ้าคะก็เป็นเรื่องปกติให้คิดว่าเกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเจ็บมากเจ็บน้อยมันก็มีหลายสาเหตุด้วยกันใจนันหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกับเรื่องของกรรมก็ได้ในร่างกายที่ไม่ดีมามันก็จะต้องคอยซ่อมบํารุงมากขึ้นกว่าร่างกายที่ดี อกเพนนึงก็อาจจะเป็นวิบากกรรมแล้วก็อาจจะไปทำคนอื่นเขาไว้ให้เขาเจ็บชาวนี้เราเราก็ต้องมารับใช้กรรมอันนี้ไปแไม่ว่าจะเป็นเหตุอะไรก็ตามวิธีที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนก็ยอมรับกรรมไปยอมรับกับสภาพความจริงไป <Yeah. S 1> ก็ให้คิดว่าดีกว่าตายจะเจายังไงดี ผ่าไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ยังอยู่ได้หรือถ้าไม่ผ่านแล้วตายจะเลือกเอาอย่างไงดีก็มันก็ทางเลือกที่ดีที่สุดก็อยา ก, กลรมมาเกิดถ้าไม่กลับมาเกิดแล้วก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแต่ถ้าตาบใดมีการเกิดแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ชาวพุทธเราพยายามตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาเราตองพ้นความแก่ไปไม่ได้ มีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ ป, ป่วยัปไม่ได้มีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ถ้าเราเตือนใจเรื่อยๆแล้วเราไม่ลืมเราจะยอมรับเวลาที่เราแก่เราเจ็บเราจะตายเราจะไม่ต่อต้านถ้าเราไม่ต่อต้านแล้วใจเราจะไม่ทุกข์ที่ทุกข์เพราะว่าเราต่อต้านเราไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายฉะนั้นพยายามยอมรับความจริง ถึงเวลาจะ ต, ต้องเจ็บก็ต้องเจ็บถึงเวลาจะต้องจ่ายก็ให้มันตายไปแต่เราไม่ได้เป็นอะไรกับร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆทั่นี้ใจไม่ได้เจ็บกับร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพียงแต่ใจต้องมาเจอมามาดูความเจ็บมาดูความตายของร่างกายเท่านั้นเองที่ใจทุกข์า็ใจไม่ชอบใจไม่อยากดูนั่นเองถ้าทําใจเฉยๆให้ทนดูไป ใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะเฉยๆได้วิธีที่จะทําให้ใจเฉยๆก็พยายามฝึกสตินั่งสมาธิให้มากๆถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิใจก็จะไม่สงบต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆต้องมีพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจไว้คอยหยุดความคิดต่างๆแล้วเวลานั่งสมาธิใจจะได้นิ่งได้สงบใจจะวางเฉยได้ ต่อไปเวลาร่างกายเจ็บหรือร่างกายจะตายใจก็จะไม่เดือดร้อนใจก็จะรู้สึกเฉยๆไปแนั้นเองคำถามจากทางเฟ e b o o k ค่ะนั่งสมาธิเราตามรู้ลมหายใจขณะลมหายรู้สึกอึดอัดเหมือนจมน้ำค่ะต้องกลับมาหายใจต้องแก้อย่างไรเจ้าค่ะ ไม่ต้องกลับมาหรอกรู้ตามคำมันจริงลมมีก็รู้ว่ามีเราไม่มีมันหายก็ให้รู้ว่ามันหายไปให้รู้เฉยๆไปแล้วจะไม่อึดอัดจะสบายใจจะสงบเวลาช่วงที่ลมรู้สึกหายไปเหมันหายใจเฮือกสุดท้ายไม่ต้องไปวิ่งไปหาลมให้ตายหรอกให้รู้เฉยๆรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้รู้ว่าใจ ก, กําลังเข้าสู่ความสงบคําถามจากทาง y o u ูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะ ถ้าเรามีอาชีพขายอาหารที่ต้องใช้เนื้อสัตว์จะบาปไหมคะถ้าเราไม่ไปสั่งที่ร้านขายสัตว์ขายเนื้อสัตว์ไว้ลงหน้าก่อนไม่บาปถ้าเราไปซื้อตามมีตามเกิดถ้ามีเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วขายแล้วก็ซื้อมาแต่อย่าไปสั่งก็บอกพรุ่งนี้จะเอาไก่สองตัวเอาเป็ดสองตัวอย่างนี้บาปเพราะสั่งให้เขาทําบาปแทนเราแต่ถ้าเขาทาเองโดยที่เราไม่ได้สั่งแล้วเข้ามาขายนี้ถ้ามีเราก็ซื้อมาขายถ้าไม่มีก็ไม่ไม่ซื้อ ท้าอย่าไปสั่งเขาก็แล้วกันก็ไม่บาปคำถามจากทางเฟซบุ๊ค่ะตอนนี้หนูทุกใจที่ตอนนี้หนูทุกใจคุณแม่ก็เสียไปแล้วหนูไปบวชกับน้องอีกคนหนึ่งที่เขาชวนไปบวช ด, ด้วยแต่สา ม, มีไปว่าน้องคนที่ชวนไปบวชค่ะหนูควรจะต้องทำอย่างไรต่อคะก็เฉยๆไปเขาว่าเสียจแล้วมันก็ผ่านไปเหมือนเสียงนกเสียงกามันร้องเล่ามันก็ผ่านไป เหมันฟ้าร้องฟ้าร้องเสร็จมันก็ผ่านไปอย่ า, อามาแบกในใจเราไหวก็ไหวก็พูดไปเราห้ามเขาไม่ได้เราก็ทำของเราไปถ้าเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ดีคนคนที่ไม่คนที่ไม่ชอบของดีก็มักจะไม่ว่าคนที่ทำดีคนที่ชอบกินเหล้าเมายาก็ไม่ชอบให้แฟนไปวัดอยากให้แฟนไปกินเหล้าเมายาด้วยหวนแล้วเหรอ มีอีกคำถามหนึ่งค่ะอาจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะคนที่ย้ายบ้านบ่อยเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆชอบเล่นขายของหรือเปล่าคะเออไม่เกี่ยวกัน่ะย้ายบ้านก็มันไม่เหตุจําเป็นต้องย้ายก็ย้ายไปทั้งนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเราชอบเล่นขายของคนละเรื่องกันมาแล้วหลายคาถามยังไม่มีคําถามค่ะไม่มีก็อแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะ